สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านค่ะบีกลับมาแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้บีมีเรื่องเล่าจากทางบ้านค่ะ ของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาทาง Facebook Fanpage พระเจอผีนะคะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณสําหรับพี่ๆนะคะที่ส่งเรื่องเข้ามาร่วมแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นๆได้รับฟังเรื่องของท่านทั้งที่เป็นประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้ยินได้ฟังมานะคะบีก็ยังคงเปิดรับเรื่องต่างๆที่คุณผู้ฟังจะกรุณาส่งมาให้เราได้เล่าให้กับคุณผู้ฟังท่านอื่นด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะบีก็ต้องกราบขออภัย ด้วยนะคะที่คุณผู้ฟังหลายๆท่านคอมเมนต์ Comment, แล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์คลิปของเราในช่องพระเจอผีมาแต่ว่าตัวของบีเองเนี่ยบางทีก็ตอบไม่ทันนะคะกดถูกใจกดหัวใจให้ไม่ทนันต้องกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกค่ะที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาทาง Facebook แฟนเพจจากคุณปรพันธ์นะคะเป็นเรื่องผีเด็กค่ะคืนรับจ้างตีระฆังเรื่องนี้ ก็เขียนมาบอกว่าผมเกรงว่าคุณเนี่ยจะไม่เชื่อเอาว่าสิ่งที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงคืออย่างที่คุณเข้าใจว่าผมบวชเรียนมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยจำพรรษ า, าเป็นสา ม, มเณรอยู่ก็ร่วมหลายปีเหมือนกัน นี่ถ้าเขายอมให้สั ม, มเณร น, นับพรนษาได้ผมคงมีพรรษามากกว่าพระบวชใหม่ในวัดบางรูปด้วยข้าพระเจ้านั่งอยู่ไม่ห่างจากเรือนชานมากนักส่วนดวงเนี่ยนั่งแกวงขาอยู่ใต้ชายคาบ้านหลังใหญ่คุณเชื่อเรื่องผีผีสังสารไหม ดวงเอ่ยปากถามข้าพเจ้าก่อนที่ลมวูบใหญ่จะหมกระหน่ำพัดมากระทบที่แขนเว้ยทําท่าทางตกอกตกใจนี่ผมยังไม่ทันได้เอ่ยปากเล่าลมก็หอบหิวเอาขนแขนของผมลุกชูชันแข่งกันข้าพเจ้ามองออกไปก็เห็นว่าขนเนี่ยลุกทั้งตัวด้วยว่าบรรยากาศของบ้านดวงเองก็ชวนให้หวาดหวันคล้ายกับบ้านไทยโบราณในละครผีเรือนไม้เก่ายกพื้นสูงติดกับปากกล้วย ที่รายล้อมไปด้วยพวกต้นไม้ต่างๆหรือว่าจะเป็นพุ่มไม้ต่างๆเขาพูดแล้วก็ถอนหายใจยาวผมเป็นอีกคนนึงที่เชื่อเรื่องผีมาแต่ไหนแต่ไรซึ่งก่อนนี้แม่ก็เคยเล่าให้ฟังอยู่หลายเรื่องเหมือนกันเกี่ยวกับป่าช้าฝั่งตรงข้ามกันกับวัดที่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นอาคารเรียนใหญ่หรือแม้แต่บ้านพักพานโรงหลังอาคารใหญ่ก็เป็นโกดังเก็บศพ ผมฟังนี่ขนลุกทันทีเลยเพราะว่าสมัยเด็กเคยไปเตดเตร่วิ่งเล่นอยู่แถวนั้นข้าพเจ้าก็ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจส่วนดวงเองก็ชี้มือชี้ไม้ทำตาลุกวาวตลอดเวลาที่เล่าผมเคยได้ยินแม่ของเขาเล่าว่าชั้นสมของอาคารเรียนพอ6โมงเย็นก็ไม่มีใครกล้าขึ้นไปบนอาคารแล้วส่วนพานรงเองพอหโมงเย็นก็เดินล็อกประตูทันที เห็นเขาว่ามีวิญญาณเด็กนักเรียนนะวิ่งเล่นกันอยู่ที่หน้าห้องเรียนตรงทางเดินเนี่ยเสียงเนี่ยชัดแจ๋วกันเลยดังมาจนถึงบ้านพักครูก็เล่นเอาเจ้าหน้าที่พันโรงของโรงเรียนเนี่ยขนลูกขนพองไปตามๆกันนี่แค่ฟังโรงเรียนวัดนะผมก็ฟังเรื่องเล่าจำพวกนี้มาจากคุณแม่บ้างก็มาจากคุณยายอย่างเรื่องของดวงไฟลอยอยู่เหนือผิวน้าในคลองเรื่องนี้ผมจาได้จนขึ้นใจ ดวงลุกขึ้นแล้วก็เดินจากตรงที่เคยนั่งอยู่เดินตรงเข้ามาหาข้าพเจ้าเขาบอกว่าใหญ่เท่ากันกับลูกแต่งโมเลยนะพูดพลางก็ทำมือทำไม้ประกอบท่าทางไปด้วยมันเป็นแสงที่แบบวูบวาบเลยนะอันนี้ดวงเป็นคนพูดนะคะแล้วก็ทาท่าทาทางประกอบไปด้วยแล้วก็เน้นเสียงแบบลากยาวจนคุณประพันธ์เนี่ยบอกว่าข้าพเจ้าเนี่ขนลุกเลยนะ นู่นเขาบอกว่ามันว่าไปวาบมาแล้วก็หายไปทางกอไผ่จากในสวนแล้วก็สรุปว่าใช่กระสือหรือเปล่าที่คุณประพันธ์บอกว่ า, าที่คุณดวงเห็นเนี่ยนะคะก็เลยเอ่ยปากถามไปคุณดวงบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันยายเขาเล่าต่อมาอีกทีหนึง่งแล้วใ น, นี้เรื่องของคุณละ่ะดวงอยากฟังแล้วไงก็เลยทักทวงไปที่คุณประพันธ์ค่ะคุณประพันธ์ ก็อยากจะเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ขนหัวลูกของเขาจนเต็มแก่ซะแล้วเรื่องมันเกิดในช่วงเข้าพรรษาพอดิบพอดีค่ะก็คือปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่พระบวชใหม่ไปอยู่กันแน่นวัดเลยร่วมสิบกว่ารูปเห็นจะได้ปนปนปัญหากันไปกับพระเก่าน่าจะประมาณสักสิบเจ็ดสิบแปดรูปนะคะ บรรยากาศช่วงเข้าพรรษาปีนั้นเรียกว่าคลึกครื้นกันเป็นอย่างดีซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะมีวีแววามาเข้าเรื่องผีเรื่องสางกันได้ช่วงนั้นเองค่ะคุณพระพันก็บวชเป็นสัมมเนรมาแล้ว 3-4 ปีเรียกว่าแกวัดแกว่าค่ะเรื่องผีเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในหัวเลย เรื่องเล่าผีที่ฟังมาก่อนบวชก็ไม่ได้ทําให้คุณประพันธ์กลายเป็นคนกลัวผีแต่อย่างใดนะคะคิดแต่เพียงว่าผีน่ะสิต้องกลัวจีวรตราบเมื่อวันที่ต้องมาประสบพบเจอกับวิญญาณเข้าจริงๆค่ะถึงได้มารู้เอาเองว่าเออผีนั้นมันไม่ได้กลัวจีวรนอย่างที่เข้าใจมาโดยตลอดนะคะคือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ค่ะเล่าให้คุณดวงฟังไปด้วยเรื่องราวคือมันเกิดขึ้นมาตอนที่คุณประพันธ์เนี่ยรับงาน ไปตีระฆังจากพระใหม่ด้วยความที่บีเข้าใจเนี้ยคือพระใหม่จะต้องมีการเข้าเวรกันถูกไหมคะไปตีระฆังสักประมาณตีสามตีสประมาณนี้แหละเพื่อที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็สวดมนต์ทำวัดตอนเช้านะคะที่หอสวดมนต์ทีนี้เนี่ยคุณประพันธ์บอกว่าคือผมเป็นสั ม, มเณรกิจนิมนต์อะไรอย่างพระเขาก็ไม่มีลำไส้พิเศษที่จะมีนั้นก็คือช่วงที่พระท่านเข้าพรรษาหาไรายได้พิเศษรับจ้างเขาตีระฆังช่วงตีสีนะคะในช่วงเข้าพรรษา นี่แหละตอนแรกเนี่ยเขาก็มีคิวให้ก็คือรับผิดชอบหน้าที่กันอย่างดีเลยแต่ว่าช่วงหลังเห็นว่าพระท่านจะขี้เกียจตื่นก็เลยรับจ้างพระท่านมาองคและ 30-40 นะคะ10องค์นี้ก็เท่าไหร่แล้วล่ะก็ลองคำนวณดูเอาก็แล้กกันคุณประพันธ์พยักหน้ารับค่ะคือเรื่องมันเกิดขึ้นในคืนเดือนมืดที่ฟ้ามืดสนิทเลยตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เวลาเดิม หลับตานึกภาพตามนะคะกุฏิเนี่ยมันจะเป็นแถวยาวสองชั้นอยู่ขวามือค่ะแล้วก็จะมีกรงนกยูงอยู่ทางซ้ายขนาบข้างไปด้วยต้นหูกวางทั้งสองข้างทางหอระฆังเนี่ยมันจะอยู่สุดกำแพงวัดตรงข้ามก็จะเป็นห้องน้ําเก่าที่มีเรื่องเล่าสารพัดสารเพทั้งแม่ชีผูกคอตายทั้งพระหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในห้องน้ําคือวัดนี้เนี่ยมีเรื่องเล่าเทือกนี้เนี่ยเพียบไปหมดเลยนะคะ ตั้งแต่ประตูวัดมาจนสุดชายขอบวัดจวบจนข้ามไปที่ฝั่งโรงเรียนนูน่นแล้วก็ยาวไปสุดถึงแม่น้ําเจ้าพยาคือเอาง่ายๆอะค่ะเท่าที่บีอ่านมาเนี่ยคุณประพันธ์เล่ามาเนี่ยที่ตรงนี้มีตำนานนะคะมีตำนานเนี่ยนับ10ไร่20ไร่กันเลยนะพื้นที่วัดแล้วก็จนไปหาพื้นที่แม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยคุณประพันธ์บวชเนนมาจนแก่วัดก็เลยไม่ได้หวันไหวอะไรกับเรื่องพวกนี้ก็เลยมองข้ามเรื่องผีสางไปนั่นแหละนะคะ ระหว่างที่กำลังเดินไปหอระฆังเนี่ยค่ะมันก็มีโวอ่ามีลมพัดแบบวูบเข้ามาพักใหญ่นะคะแต่ว่ามันวูบมาแบบถี่ๆนะมันไม่ได้มาแบบตลอดมันมาแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็มาใหม่อะไรประมาณนี้ซึ่งก็แลดูเหมือนว่ามันจะมาวนเวียนอยู่ ร, บรอบๆตัวนะคะก็ทำใจดีสู้เสือละคะ่ะเดินมาหยุดอยู่ที่ใต้ต้นหูกวางใหญ่หน้าห้องน้าเก่าตรงข้ามกันกับหอระฆัง อยู่ๆก็มีเสียงร้องไห้ของเด็กดังแววลงมาจากหอระฆังที่ชั้นสก็นึกเอใจว่าเอดึกดื่นป่านนี้เด็กที่ไหนกันจะกล้าขึ้นไปซนอยู่บนหอระฆังก็พลางนึกไปก็สงสัยไปนะคะตัวคุณประพันธ์เองจะหูฝาดหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่พอสิ้นความคิดสิ้นความรู้สึกตรงนั้นก็รีบขึ้นไปตีระฆังให้จบให้สิ้นก็เป็นอันว่าสิ้นสุดภารกิจที่รับมอบหมายมาแต่ปรากฏค่ะว่า เสียงร้องไห้เนี่ยมันก็กลับมาดังขึ้นทีทีอีกครั้งจนคุณประพันธ์เองก็ถอยหลังมาหยุดยืนชะง้ขอคอขึ้นไปมองหอระฆังแสงสว่างจากถนนใหญ่ที่ติดกับกำแพงวัดเนี่ยคือมันสาดเข้ามากระทบกับร่างของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่บนหอระฆังคุณประพันธ์เงยหน้าขึ้นไปเพ่งมองยังร่างของเด็กคนนั้นอยู่นาน2นานค่ะก่อนที่จะแอบฉุกคิดขึ้นได้ได้ว่าเด็กที่ไหนกันมายืนร้องไห้ดึกดื่นป่านนี้ ก็เลยรีบสาวเท้ากลับมาที่กุติค่ะพรางก็คิดถึงเรื่องเงินที่รับมอบหมายไว้นะคะถ้าไม่ทำตามหน้าที่ก็เกรงว่าจะมีความผิดก็เลยหมุนซ้ายหมุนขวาวนหน้าวนหลังหาทางออกอยู่ที่กุติซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณประพันธ์บอกว่าสารภาพเลยนะว่ากลัวก็กลัวหวาดก็หวนนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าร่างที่เพิ่งจะเห็นนั้นเนี่ยมันใช่คนหรือว่าเป็นผีกันแน่ ประจวบเหมาะพอดีพอดีเลยเนะีคะกับพ่อทิวพ่อเด็กวัดคนนี้เดินลงมาจากกุฏิแล้วก็กําลังเดินไปเข้าห้องน้ําก็เลยเอ่ยปากชวนวานให้เขาเดินไปเป็นเพื่อนระหว่างเดินไปก็เลยเล่าถึงเสียงที่เพิ่งจะได้ยินให้เขาฟังพ่อทิวก็ทําหน้างงๆเหมือนว่าจะลาคานเออรีบๆไปตี ส, สัทีสิชวนไปเป็นเพื่อนแล้วยังจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังอีกเดี๋ยวก็วิ่งหนีซะหรอกเนาะ คุณประพันธ์บอกว่าในตอนนั้นเนี่ยที่ชวนเด็กทิวเนี่ยหรือว่าคุณทิวเนี่ยมาด้วยเนะะี่ยค่ะก็คิดว่ายังไงสองหัวก็ดีกว่าหัวเดียวก็เลยกลั้นใจเดินมาจนถึงหน้าหอระครังทุกอย่างมันก็ดูเหมือนปกตินะเสียงร้องไห้ก็ไม่มีก็เลยโดนพ่อทิวเนี่ยสวดอภิธรรมใส่เป็นชุดใหญ่ปากเขาก็เอ่ยออกมาแบบดันดันให้รีบไปรีบไปขึ้นไปตีระครังให้จบจบ แต่ว่าในใจนี่ก็แอบหวาดหวาดอยู่สารภาพเลยว่าตอนนั้นก็แอบหวาดกลัวเหมือนกันเพราะเชื่อว่าตาตัวเองเนี่ยมันไม่ฝาดแน่นอนก็เลยเอ่ยปากกวาดต้อนขอให้พ่อทิวเนี่ยเดินนําหน้าขึ้นไปหอระฆังแล้วคุณประพันธ์ตอนที่เป็นสา ม, มเณร อ, อยู่เนี่ยจะเดินตามหลังไปคุณทิวเนี่ยก็ปฏิเสธเสียงแข็งค่ะคุณประพันธ์ก็ได้แต่ยืนอ้อนวอนอยู่ขอร้องให้นําทางขึ้นไปเถอะโดยอ้างนะคะว่าถ้าหากเขาไม่ช่วยผมช้ากว่านี้ อาจจะโดนสมพันธ์วัดตีก้นลายแน่เพราะทิวก็ชักหน้าตึงอยู่สักพักหนึ่งก็ใจอ่อนแล้วค่ะก้าวขาก้าวแรกเหยียบไปที่บันไดปูนทางขึ้นปรากฏว่าเสียงร้องไห้ค่ะมันดังแววลงมาจากชั้นบนเพราะทิวส่งเสียงโวยวายยกใหญ่ใครมันคิดเล่นตลกกับกูวะพ่อจะตีให้หัวแตกเลยสักพักหนึ่งเสียงร้องนั้นก็เงียบไปเขาออกอาการฉุนเฉียวหันซ้ายแลขวา เมื่อเราเดินขึ้นมาถึงที่ชั้นสองของหอระฆังก็พอดีกับที่พ่อทิวเนี่ยเหลือบตาไปเห็นเข้ากับท่อนไม้อันหนึ่งกำลังเหมาะมือเลยล่ะค่ะก็เลยเดินตรงเข้าไปก้มหยิบแต่ว่าในขณะที่กำลังจะเอื้อมไปหยิบท่อนไม้อยู่นั้นเสียงร้องไห้ก็ดังแว่วขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคือมันดังมาจากชั้น3ก็เลยรีบเดินไปหลบอยู่ที่หลังพ่อทิวเป็นสัมมนเนนนะหลบอยู่หลังเด็กวัด ตัวเนี่ยสั่น ง, งันงกเป็นลูกนกตกน้ำเลยล่ะค่ะคือกลัวเหงื่อเนี่ยไหลเป็นทางตั้งแต่หน้าไปถึงปลายเท้าเพราะทิวก็ยังคงส่งเสียงดังบอกมึงเป็นใครกันสักพักหนึ่งก็รีบสาวเท้าขึ้นบันไดต่อไปที่ชั้นสค่ะคุณประพันธ์ดึงชายเสื้อของเด็กวัดคนนี้เนี่ยเอาไว้ไม่ให้ห่างตัวเลยจากนั้นพอทิวก็เดินนาหน้าไปค่ะแล้วก็เงยหน้าขึ้นไปที่ชั้นสานะคะพร้อมกับตะโกนเลย บอกว่าไอ้เด็กเปรดเขาตะโกนเสียงดังเลยนะจนคุณประพันธ์ตอนที่เป็นสัมมเนยอยู่เนี้ยสะดุ้งสุดแรงจนขานี่เกือบพลาดหลุดพ้นช่วงระหว่างขั้นบันไดค่ะซึ่งทิวเองนี้ก็เอื้อมมือมาคว้าตัวของคุณประพันธ์ไว้ได้ทันพอดีพอดีนะคะไม่งั้นก็คงตกบันไดไปซะก่อนมึงขึ้นมาทําอะไรบนหอระฆังทิวตะโกนเสียงดังสนัน่นร่างของเด็กชายตัวน้อยกําลังยืนสัน่นหลังพิงแนบติดอยู่กับลูกกรงค่ะ มึงเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันดึกดื่นป่านนี้ยังไม่กลับบ้านร่างนั้นก็เอาแต่หนอนออยืนร้องไห้อยู่แล้วก็ตัวสั่นอยู่กูถามว่ามึงเป็นลูกใครทิวรีบกระโดดทะลึง่งขาก้าวเข้าไปจับที่ร่างของเด็กคนนั้นแต่ฉับพลันทันใดนั้นค่ะร่างของเด็กชายก็ทิ้งดิ่งกระโดดลงไประหว่างที่ขึ้นลูกกรงหอระฆังนะคะแล้วก็สองคนเนี่ยคุณทิวแล้วก็คุณประพันธ์นี่ก็รีบกระโจนลงไปมอง แต่ยังไม่พ้นถึงพื้นนะร่างนั้นก็วูบสลายหายไปต่อหน้าต่อตาคุณทิวแล้วก็คุณประพันธ์ค่ะจำได้เลยว่าสองคนนั่งกันนิ่งไม่พูดอะไรกันเลยอยู่บนหอระครังจนเช้าเลยนะคะถึงกล้าลงมาจากหอระครังสรุปได้ง่ายๆเลยคุณผู้ฟังคือพระใหม่เนี่ยที่จ้างคุณประพันธ์ไปตีระครังตอนเช้าเพื่อที่จะปลุกพระลูกวัดมาทำวัดเช้าโดนผีเด็กหลอกกันมาจนท่วนหน้าหมดละ เขาถึงได้จ้างคุณประพันธ์บอกว่าให้คุณประพันธ์ไปตีให้จ้าง30ก็จ้าง40ก็จ้างนะคะคุณประพันธ์เองบอกว่าเนี่ยนั่งนึกไปเล่าเรื่องเก่าๆไปก็ยังอดนึกขำตัวเองที่ตอนนั้นเนี่ยอยากได้เงินอยากได้ทองจนหน้ามืดจนต้องโดนผีหลอกเอาได้นีคะก็ <c oughs> ถ้าจะจำฝังใจไปอีกนานเลยล่ะเรื่องนี้ขอบคุณคุณประพันธ์ด้วยนะคะกับเรื่องเล่าที่ส่งเข้ามาทางแฟนเพจพระเจอผีค่ะ ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องจากคุณทองหงนะคะส่งเข้ามาทาง Facebook เหมือนกันตอนนี้พี่อายุติด ด, ด, ด, ดอ่าไม่บอกอายุก็แล้วกันนะคะเมื่อ27ปีที่แล้วพี่ทองหงเนี่ยบอกว่าไปทำงานที่จังหวัดระยองซึ่งบ้านแม่พี่เนี่ยเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าต้นตระกูลก็จะเป็นคนระยองกันพี่ไปทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธ ไปอาศัยอยู่ที่สถานพินิษ์เด็กแล้วก็เยาวชนบ้านผักข้าราชการของคุณลุงนะคะซึ่งคุณลุงเนี่ยก็จะมีลูกชายอยู่สองคนคนนึงชื่อป๊อกรุ่นเดียวกันกับพี่เขาอีกคนหนึ่งชื่อแดงอ่อนกว่าสัก 5-6 ปีค่ะสมัยก่อนนี่คือขับรถยนต์มิตซูบิชิแชมป์ทูสีขาวมีอยู่ครั้งหนึ่งเข้าไปในบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนนี่จะเป็นสวนมะม่วง ตอนนั้นเนี่ยทางเข้าเขาเรียกว่าวัดโขดหินนะคะทางเข้าไปก็จะเป็นแบบว่าเป็นไร่มันป่าหญ้าคาที่สูงท่วมหัวแล้วก็สวนมะม่วงอุ้ยสมัยก่อนเปรี่ยวสุดๆเลยบ้านที่เข้าไปเนี่ยชื่อบ้านเจ้าไก่ต้องขับรถเข้าไปจากปากทางก็คือวัดทับมาเข้าไปอีกประมาณสัก2 3กิโลเมตรนะคะทางที่เข้าไปเนี่ยจะมีบ้านอยู่ก่อนถึงทางโค้งหนึ่งหลังบ้านหลังนี้ใหญ่มากทาสวนมะม่วง เอาไว้ขายค่ะแล้วก็มีลูกสาวสวยมากอยู่หนึ่งคนลูกชายก็เข้าขั้นหล่อเลยละ1นคนเหมือนกันพอเลยบ้านหลังนั้นมาก็จะเป็นหัวโคง้งมีหินก้อนโตๆข้างทางเต็มไปหมดซ้ายมือก็จะเป็นดงมันสัมปะหลังขวามือก็จะเป็นดงมะม่วงนะคะพอเลยโค้งสัก50เมตรก็จะเป็นบ้านของเจ้าไก่ค่ะ พอไปถึงเนี่ยก็จะนั่งเมาส์มอยกันอยู่มีพี่ผู้หญิงคนเดียวก็คือพี่เจ้าของเรื่องเนี่ยที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีเจ้าไก่เป็นเจ้าของบ้านมีไอ้ป๊อกไอ้แดงเด็กเฝ้าสวนแล้วก็ชื่อบอยชื่อตาอีกสองคนเจ้าไก่เนี่ยเขาเปิดประเด็นว่ามีคุณครูโรงเรียนวัดโขดหินคนหนึ่งนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาหลุดโคง้งหัวกระแทกหินเสียชีวิตตรงโค้งที่ผ่านมาด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นนะปากก็อาจจะวัยนิดนึงก็เลยบอกเฮ้ยคุณนาย มาหาไอ้พวกหนุ่มๆเขาหน่อยสิคือแบบคนอื่นเล่าเรื่องผีให้ฟังว่าตรงนี้มีใครตายมีใครอะไรหรือเปล่านะคะแต่ว่าพี่ทองหงเนี่ยก็คนองปากก็เรียกผีบอกว่าให้มาหาหนุ่มๆที่นั่งคุยกันอยู่เนี่ยจนหนุ่มๆทุกคนเนี่ต่างแบบนั่งหดหัวกันเลยเอ้ยอยู่ดีๆมาเรียกผีให้มาหามันดึกดื่นเที่ยงคืนป่านนี้ละนึกยังไงกัน แต่ทีนี้เนี่ยคือนั่งคุยกันไปสักพักหนึ่งคุณผู้ฟังพี่ทองหงบอกว่าเรื่องอ่าตอนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นตอนที่คนที่เขานั่งอยู่ด้วยเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเพราะว่าพี่ทองหงบอกว่าไม่ได้รู้สึกตัวอีกเลยหลังจากที่นั่งพูดนั่งคุยกันไปนะคะบอกว่าอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นแล้วก็ขับรถเออขับรถแบบหนีออกจากที่ตรงนั้นเลยนะคะจนขับรถมาถึงโค้งที่ว่ามีครูเอาหัวมงหินนี่แหละ แล้วพี่ทองหงเขาก็หลุดโค้งตอนนี้แลหละน่ากลัวที่สุดเพราะว่าพอหลุดโค้งไปกลับมีสติรู้สึกตัวขึ้นมาโอ้โหรถมันเหินทยานหัวใจเนี่ยมันแวบน่ากลัวมากพอรถเหินลงกระแทกพื้นค่ะท่าไหนก็ไม่รู้ในตอนนั้นเสียงมันดังโครมครามกมปนาดมากก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแบบอธิบายไม่ถูกอ่ะคือว่าเขาไมายืนตรงศีรษะตัวทุว ม, มผมอยากโศกแบบกโกรธโกรธมากแต่ว่าเขายืนนิ่งนะ ส่วนตัวของพี่ทองหองเองนี่คือกลัวแทบจะขาดใจเลยอีกทั้งมีความรู้สึกว่าพวงมาลัยรถเนี่ยมันทับหน้าอกก็พยายามเอามือผลักแต่มันผลักไม่ไหวเวลาผ่านไปน่าจะนานหลายนาทีค่ะแต่ว่าดูเหมือนยาวนานเหลือเกินความรู้สึก เ, เริ่มจะหมดลมหายใจคือลมหายใจเริ่มจะแผ่วละกําลังจะหมดสติอยู่ๆค่ะก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์ขี่มาจอดแต่ว่าความรู้สึกตอนนั้นนี่คือตัวเย็นไปหมดแล้วนะแล้วก็มีเสียงผู้ชายเรียกชื่อพี่เขาบอกฟฝนฝน เสียงก็ปกตินะคะแต่เขาเรียกแบบดิบเรียบไม่ตกใจอะไรส่วนพี่ทองหงเนี่ยก็คือพี่ฝนเจ้าของเรื่องเนี่ยนะคะก็นอนฟังแบบเงียบเงียบไม่ขันสะะักแอะเออแปลกดีนะพอเรียกเสร็จแล้วค่ะเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมานะไปตามคนมาช่วยก่อนตอนนั้นคือไม่ไหวแล้วกูหายใจไม่ออกหายไปนานมากค่ะนานแค่ไหนก็ไม่รู้สักพักได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาจอดอีกคันหนึ่ง คราวนี้เป็นเจ้าไก่เสียงร้องโวกเวกโวยวายขี่ไปตามคนที่บ้านออกมาสภาพรถคือหงายท้องอยู่สภาพของพี่ฝนเองหรือว่าที่ใช้ชื่อ Facebook ว่าทองหงเนี่ยนะคะคือศีรษะเนี่ยโดนรถตรงช่วงขอบประตูกระแทกลงมาทับทั้งคันเลยสภาพนี่ไม่น่าจะรอดค่ะก็ช่วยเหลือกันออกมาทั้งไอ้ป๊อกเอยก็ทุบกระจกรถทุบรถร้องโ h มร้องไห้คือกลัวตายจนช่วยกันสาเร็จเรียบร้อยก็พาไปโรงพยาบาล จนชาวมืดค่ะไอปอกเนี่เอาผ้าชุบน้ํามาเช็ดหน้าเช็ดตาให้จนพี่ฝนก็เลยบอกเฮ้ยเป็นไรสภาพพี่นะคะหน้าตาปูดบวมเขียวไปหมดเลยเปลือกตาฝั่งขวานี่ะลอกพอมากันครบก็เลยหันไปถามไอเจ้าไก่ว่าเมื่อคืนเนี่ยให้ไอตะเด็กเฝ้าสวนขี่รถมอเตอร์ไซค์มาดูหรอไอเจ้าไก่ก็บอกเปลา่ามันเห็นว่าขับรถมาสักแป๊บหนึ่งมันก็ต้มมาม่ากินกันอยู่ๆมันก็บอกมีเสียงบอกไปสิไปสิตามไปดูฝนสิ ทีนี้มันก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาก็เห็นรถพี่อะหงายท้องอยู่พี่ฝนก็เลยนึกอา้าวแล้วผู้ชายที่มาเรียกพี่คนแรกคันแรกนี่คือใครจำบ้านที่บอกนะแม่คุณผู้ฟังคือก่อนจะถึงโคง้งโค้งเนี่ยมันมันจะมีบ้านที่แบบเขาทำสวนมะม่วงหลังใหญ่ๆแล้วมีลูกสาวสวยลูกชายหล่ออยู่สองคนเนี่ยค่ะคือบ้านนี้เนี่ยลูกชายเขาเพิ่งจะเสียชีวิตไปไม่ถึงปี ประสบอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเวลาขับผ่านบ้านเขาเนี่ยคือพี่ฝนก็จะพูดตลอดว่าน้องสาวเขาสวยมากเสียดายตัวเขาน่าจะเพราะว่าไปพูดถึงน้องสาวเขากับเขาอยู่บ่อยๆเขาก็เลยมาช่วยประมาณนี้เพราะว่าเวลานั้นเนี่ยเป็นปเวลาประมาณสักตี1นึ่กว่ า, กวาเกือบจะตีสองค่ะเรื่องคนจะผ่านไปผ่านมาเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลย แล้วก็ไม่มั่นแล้วก็ที่พี่เขามั่นใจเพราะว่าบ้านเนี่ยมันห่างจากโค้งไปไม่ไกลมากส่วนคุณครูที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุตรงทางโค้งเนี่ยนะะตรงที่พี่เขาเห็นแบบมายืนแบบตัวทุ่มท้วมผมอยากสกในตอนแรกเนี่ยคือก็หายไปเลยนะซึ่งตอนนั้นหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุมาแล้วก็หาย จนจนหายดีแล้วพี่เขาก็เลิกขับรถเข้าไปในทางนั้นอีกเลยนะคะส่วนสภาพตอนนั้นค่ะพี่เขาบอกว่ารถทับศีรษะคือตาปูดมากหัวโนแต่ไม่ได้เสียเลือดสักหยดเดียวสภาพรถเนี่ยพังยับเยินค่ะซ่อมหมดไป 4-5 ห้าหมื่นในสมัย27ปีที่แล้วคือเยอะเหมือนกันนะทีนี้เนี่ย พี่เขาบอกว่านี่เป็นประสบการณ์ของพี่แล้วก็ยังนึกขอบคุณว่าวิญญาณ น, น้องชายคนนั้นที่มาเรียกพี่แล้วน่าจะไปส่งกระแสจิตเรียกคนมาช่วยประมาณนี้ส่วนเจ้าปอกนะคะตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วคนอื่นๆก็แยกย้ายไม่ได้ติดต่อกันซึ่งตอนนี้ทางเข้าวัดโขดหินก็คงจะเปลี่ยนไปมากแล้วล่ะค่ะเรื่องก็มีอยู่ประมาณนี้ ซึ่งพี่ฝนเองก็ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงร0 0เปอซไว้มีโอกาสหน้าจะมาเล่าเรื่องใหม่ๆให้ฟังแล้วก็มีเรื่องคุณนายพุโทโธด้วยนะคะน่ากลัวอีกแล้วก็เป็นเรื่องจริงที่วัดแห่งหนึ่งส่วนเรื่องนี้คุณบีก็เรียบเรียงเอาก็แล้วกันนะคะที่พี่ใส่จุด ๆ, ๆ, ๆก็คือเขาห่วงชื่อเขานะคะเป็นคนที่เสียชีวิตคือคุณครูคนนี้เนี่ยเขาห่วงชื่อเขา ะะบีขออนุญาตตั้งชื่อเรื่องนี้ว่าคุณครูห่วงชื่อก็แล้วกันเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพระเจอผีด้วยนะคะหมดเวลาสำหรับคลิปนี้แล้วล่ะคะ่ะติดตามได้ในคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ